บัดนี้จักได้แสดงธรรมกกาซสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอด4เรือนจำภายในพระพุทธภาษิตณนะตังทันหังพันธนะมาหุทีรายทายะสังทารุชะปะพช ฉันจะสารตาระรตามณิกุลทะเลสุปุตเตสุทาเรสุจ ย, ยาอาเปคาเอตังทันหังพันธนะมาหุทีราโอหารินังสิทิละทุปมุญจังเอตังปิเชตวานะปริพชันติอนะเปกคินโนกามาสุขหังปหายะ แปลว่าเครื่องผูกอันใดที่ทําด้วยญ้าปล้องเป็นต้นนักปราดทั้งหลายไม่เรียกเครื่องผูกอันนั้นว่าเป็นของมั่นคงเลยส่วนความกําหนัดพอใจในแก้วแหวนเงินทองความเยื่อใยอาลัยในบุตรภรรยาอันใดนักปราดทั้งหลายกล่าวความกําหนัดและความเยื่อใยนั้นว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงมีปกติเหนียวลง ให้ต่าแม้จะผูกหย่อนหย่อนแต่ก็แก้ได้ยากนักปราดทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีเยื่อใยละการ ม, มาสุขแล้วบวชอธิบายความว่าเครื่องจองจาที่ทำด้วยเหล็กเช่นโซ่ตรวนเป็นต้นตลอดถึงทาด้วยเชือกเช่นเชือกปอและสถานที่จองจามีคุกเป็นต้นนักปราดทั้งหลายไม่กล่าว ถึงเครื่องจองจำเหล่านี้ว่ามั่นคงเพราะหลุดพ้นได้ง่ายทำลายได้ง่ายแต่เครื่องจองจำคือทรัพสมบัติบุตรภรรยานี่แหละเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแม้จะผูกหย่อนย่อนแต่ก็แก้ได้ยากมีปกติดึงผู้ถูกผูกให้ต่ำลงคือการตกอบายสีเป็นต้นที่ว่าผูกหย่อนย่อนนั้นเพราะไม่บาดผิวหนังและเนื้อไม่ทาให้โลหิตออก ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นเครื่องผูกให้เที่ยวไปทำการงานทั้งหลายได้ทั้งทางน้ำทางบกในประเทศและต่างประเทศแต่เครื่องผูกเช่นนี้แกได้ยากเพราะผู้ผูกหรือผู้ถูกผูกมีความพอใจเจื่ออยู่ด้วยความพอใจนั้นเป็นเหยื่อคอยหลอกล่อให้หลงติดอยู่ในเครื่องจองจํานั้นท่านผู้มีปัญญารู้ว่านั่นคือเหยื่อ นั่นคือเครื่องจองจำกล่าวคือกิเลสแล้วแม้มันจะมั่นคงเพียงใดก็ใช้พระขันคือดาบคือยานตัดให้ขาดหมดความเยื่อใหญและกามาสุขไปแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารพเรือนจำหรือวงเล็บเครื่องพันธนาการมีเรื่องย่อดังนี้ครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษ จับโจรได้มานำมาแสดงแด่พระราชาปรเซนธิโกสนพระราชารับสั่งให้จองจำพวกโจรเหล่านั้นไว้ด้วยเครื่องจองจำมีตรวนเป็นต้นเพียสุหลายรูปก็ไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีเห็นโจรเหล่านั้นแล้วเวลาเย็นเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบและทูลถามเครื่องจองจำอย่างอื่นมีอยู่หรือไม่ ที่มั่นคงกว่าเครื่องจองจําคือคือคาโซ่ตรวนเป็นต้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจํามีโซ่ตรวนเป็นต้นนักปราดไม่เรียกว่ามั่นคงส่วนเครื่องจองจําคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงกว่าตั้งร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าแต่โบราณกะบัณฑิตทั้งหลายตัดเครื่องจองจําที่ตัดได้ยากนั้นแล้ว เข้าไปบวชในป่าหิมพานต์ดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตการในเมืองพระลาณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลกหัตรบดีผู้ตกยากตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยบิดาทําการกิริยามารดาได้นําหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ผู้แม้ไม่ต้องการจะมีภรรยาต่อมามารดาของพระโพธิสัตว์ทํากาละ ภรยาของเขาตั้งคันพระโพธิสัตว์ไม่ทราบว่านางตั้งครันบอกนางว่าขอให้นางทําการจ้างเลี้ยงชีพส่วนตนจะออกบวชนางตอบว่านางกําลังมีคันอยู่ขอให้คลอดเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกบวชเขาคอยจนนางคลอดจึงอําลานางออกบวชนางบอกว่าขอให้บุตรดย่านมเสียก่อนพอบุตรดย่านมนางก็มีคันอีก พระโพธิสัตว์คิดว่าคอยอยู่อย่างนี้ไม่มีทางออกบวชได้จึงม่ได้บอกนางลุกขึ้นกลางคืนแล้วหนีไปคนรักษาพระนครจับเขาไว้เขาบอกว่าเป็นคนเลี้ยงมารดาขอให้ปล่อยเขาเถิดคนรักษานครจึงปล่อยเขาเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีธรรชาตอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเปล่งอุทานว่า เครื่องผูกคือบุตรภรรยาเครื่องผูกคือกิเลสซึ่งบุคคลตัดได้โดยยากเราตัดได้แล้วพระาศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตัดจบลงแล้วตัดคาถาว่าณตังทันหังพันธนะมาหุตีราเป็นอาทิมีดังไนยะพันามาแล้วแต่ต้นนั่นแลหละห้เหมือนแบ่งมุม ตกไปในใ ย, ยของตนพระพุทธภาสิทธเยราครัตานุปตันติโสตังสยังกะตังมกตะโกวะชาลังเอตัมปิเศตวานะวชันติธีราอะนเปกิโนสภทุกขังปหายะแปลว่าบุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่งตัณหา เหมือนแมงมุมตกลงไปยังใยที่ตัวทำไว้เองนักปราทั้งหลายตัดกระแสตันหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีละเว้นทุกทั้งปวงได้อธิบายว่าราคะคือความกำหนัดพอใจตามตัวอักษรแปลว่ายอมคือย้อมใจให้เมาเป็นไปในกามเรียกว่ากามราคะเป็นไปในรูปเรียกรูปราคะ เป็นไปในอรูปเรียกอรูปาราคะกามรากามรภภ า, ราราคะได้แก่ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะรูปาราคะได้แก่ความติดใจในรูปประชานสี่อรูปราคะได้แก่ความติดใจในอรูปประชานสี่ราคะทั้งสามระดับนี้หยาบและละเอียดขึ้นไปโดยลำดับฌานสี่เบื้องปลายนั้นผู้ได้บางท่านเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มี เพราะความละเอียดประหนึ่งว่าปราศจากกิเลสทํานองเดียวกับเชื้อโรคมีแต่เรามองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นบุคคลผู้อันราคะยอมแล้วย่อมตกลงสู่กระแสตัญหากล่าวคือความดิ้นรนและต้องแวกว่าให้ในห้วงมหานพคือพบน้อยพบใหญ่ความดิ้นรนซึ่งมีราคะเป็นแรงผลักดันนั้นย่อมดิ้นรนไปสู่เบญจา ก, การมคุณและความสำราญทางเนื้อหนัง ย่อมทำกรรมชั่วเพราะเหตุแห่งเนื้อหนังต้องตกอยู่ในบ่วงกรรมดิ้นรนออกไปลำบากเหมือนแม่งมุมตกลงไปในใยที่ตัวทำไวเองนักปรารทั้งหลายเห็นโทษแห่งตัณหาราคะแล้วเป็นผู้ไม่ให่ดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงโดยใจความก็คือละเว้นตัณหาราคะนั่นเองเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละตัณหาราคะได้ก็เป็นอันละทุกข์ไปในตัว เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชฤกษ์ทรงปรารภพระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องย่อดังนี้พระนางเขมาเป็นสตรีที่รูปงามเลิอผู้หนึ่งพระนางทรงทราบว่าพระศาสดาทรงติโทษของรูปจึงไม่ประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าเกรงพระพุทธองค์จะติโทษแห่งรูปของพระนางด้วย พระราชาพิมพิสารทรงทราบความนั้นจึงรับสั่งให้พวกกวีแต่งขับพรรณนาความงามความรื่นรมของพระเวรุวันแล้วให้พระราชทานแก่พวกฟ้อนพระนางทรงสดับเพลงขับนั้นแล้วปรารถนาจะเสด็จไปยังเวรุวันพระาศาสดาทรงทราบว่าพระนางเขามาเสด็จมาเมื่อประทับแสดงธรรมจึงทรงนรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพัดอยู่ พระนางเขมาเข้าไปเห็นผู้หญิงนั้นรูปงามเหลือเกินทรงดำริว่าคนเขาพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่งรูปเห็นจะ ก, กล่าวตู่พระองค์เสียแล้วละกะมังเพราะหญิงที่ยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกินเราสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้รูปเช่นนี้เราไม่เคยเห็นเลย พระนางไม่ได้สนพระไทยในพระราชดำรัสพระาศาสดาเลยเอาแต่จ้องมองดูหญิงนั้นอยู่พระาศาสดาทรงทราบวารจิตของพระนางแล้วจึงทรงเรียมิตรหญิงนั้นให้แปลเปลี่ยนไปในวัยต่างๆคือสาวรุ่นสาวใหญ่กลางคนชาราเจ็บและตายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมีแรงกาลงมาจิกกินในที่สุดเหลือแต่กระดูก วงเล็บดังกล่าวแล้วในเรื่องพระนางรู ป, ปนันฑาแห่งสราวัควรรณนาพระนางเคมาทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่ารูปอันงามถึงปานนี้ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีเลยพระศาสดา ท, ทรงทราบว่าอารุษไทยของพระนางอ่อนลงมีความสังเวชสลดใจเช่นนั้นจึงตรัสว่าเขมา เธอจึงดูร่างกายนี้อันอาดูลไม่สะอาดเน่ามีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของคนเขาเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางได้บรรลุโสดาปติผลพระศาสดาตรัสต่อไปว่าเขมาสัตว์ทั้งหลายเยิมอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะงมอยู่ด้วยโมหะ จึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ต้องข้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นดังนี้แล้วตัดพระคาถาที่ยกไวนะ้ณเบื้องต้นนั้นว่าเยราคัร ต, ตานุปตันติโสตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพันนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาครั้งที่สองนี้พระนางได้บรรลุพระอรหัตผลธรรมดาผู้บรรลุพระอรหัตผลแล้วต้องบวชภายในวันนั้น หรือมิฉะนั้นก็นิพพานพระราชาพิมพิสารจึงส่งอนุญาตให้พระนางบวชต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญา 6. ผู้ถึงฝั่งแห่งพบพระพุทธภาษิตมุญจะปุเรมุญจะปัชโตมัชเ์มุญจะพวัตสปารคู สัพพัททะวิมุตตะมาโนโสณปุณะชาติชราังอุเปหิสิแปลว่าจงเปลืองอะไรในการก่อนเสียจงเปลื่องอะไรข้างหลังและท่ามกลางเสียด้วยจึงจะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบท่านผู้มีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชาราอีก อธิบายว่าอะไรในการก่อนหมายถึงอะไรคือความยินดีความมกมุนความปรารถนาการลุกคลําและความอยากในขันทั้งหลายที่เป็นอดีตข้อว่าถึงฝั่งแห่งพบคืออะไรในขันที่เป็นอนาคตข้อว่าอะไรใน่้ำกลางคืออะไรในขันที่เป็นปัจจุบันข้อว่าอะไรข้างหลังอธิบายว่าสามารถข้ามพบ ข้ามชาติได้ตัวอย่างเช่นถึงฝั่งทะเลคือข้ามทะเลได้ข้อว่ามีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงคือพ้นแล้วไม่ค้่องแล้วในสังคตธรรมทั้งปวงมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวรวันทรงปรารภอุคเสณะหรืออุคเสนมีเรื่องย่อดังนี้ ธรรมเนียมในกรุงราชสักฤท์มีอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกรอบหกเดือนหรือหนึ่งปีพวกนักฟอ้อนประมาณห้าร้อคนไปยังกรุงราชสักฤท์ฟอรอนถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่งเป็นเวลาเจดวันได้เงินทองเป็นอันมากมีคนให้รางวัลอยู่ทุกระยะเมื่อการฟอร้อนหรือการขับร้องเป็นที่พอใจทิดานักหคเมนคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้น คือแผ่นกระดานกลมหมุนอยู่บนเสาสูงฟ้อนรำขับร้องอยู่บนไม้แป้นนั้นดูหน้าพิศษบงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุคเสณยืนดูอยู่บนเตียงที่ซ้อนๆกันขึ้นไปเกิดความพอใจในลีลาของนางมีการแกว่งมือแกว่งเท้าเป็นต้นยิ่งดูไปนานยิ่งเกิดความรัก กลับไปเรือนคิดว่าถ้าได้หญิงนั้นเป็นภรรยาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้จะยอมตายดังนี้แล้วนอนอดอาหารอยู่มารดาบิดาเห็นอาการของบุตรผิดปกติไปจึงเข้าไปถามโุคเสณบอกความจริงให้ท่านทราบมารดาบิดาจึงกล่าวว่าลูกอย่าคิดอย่างนี้หญิงนักฟอนนั้นไม่ควรแก่ลูกพ่อแม่จะนากุมาริกาคนหนึ่งที่เหมาะสมกับลูก ทั้งทางรูปร่างและทรัพสมบัติและตระกูลแต่อุคเสณยังคงยืนยันคำเดิมอยู่เมื่อไม่อาจทัดทานได้พ่อแม่ก็ต้องยินยอมไปขอลูกสาวของนักฟ้อนด้วยกระหาปะณะพันหนึ่งแต่นักฟ้อนขอเงื่อนไขว่าจะยอมให้ลูกสาวแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออุคเสณต้องท่องเที่ยวไปกับพวกเขาด้วย อุกเสศยอมรับเงินไขนั้นแม้มารดาบิดาจะอ้อนวอนขอร้องสักเพียงไรก็ไม่ยอมฟังนักฟ้อนยอมยกลูกสาวของเขาให้อุกเสศแล้วพาเที่ยวแสดงศิลปะการฟ้อนรำไปในคามที่กมชนบทและราชธานีต่างๆอุกเสศมีบุตรกับนางคนหนึ่งนางชอบเย้าบุตรบ่อยๆว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไร ทางนี้เพราะอุกเสณเป็นบุตรเศรษฐีไม่ประสีระษาเอาเลยในเรื่องการฟ้อนรำขับร้องเมื่อเที่ยวไปกับเขาเพราะรักลูกสาวเขาก็ได้แต่เพียงเฝ้าเกวียนหาของให้เขาเป็นต้นอุกเสศนขนย่ามาให้โคยกของที่ใช้ในการแสดงอยู่บ่อ ย, อยเมื่อได้ยินเสียงภรยาเย้าบุตรเช่นนั้นก็สะเทือนใจจึงถามให้แน่ว่าเธอพูดหมายถึงใครหมายถึงท่านนั่นแหละ ภรรยาตอบถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอุกเสนว่าฉันไม่เคยกังวลกับการไปหรือการมาของคุณภรรยาย้านางอาศัยรูปสมบัติแห่งตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการแสดงการฟ้อนรำขับร้องแสดงอาการดูหมิ่นสามีถึงป่านนี้ไม่ได้เกรงใจสามีในเรื่องใดๆเลยอุกเสนคิดว่านางนี้ดูหมิ่นเราถึงป่านนี้เพราะอาศัยอะไรหนอคิดไปก็ มองเห็นว่าเพราะอาศัยศิลปะเขาต้องการเรียนศิลปะบ้างจึงเข้าไปหาอาจารย์คือพ่อตาของตนนั่นเองเรียนจนสำเร็จแล้วเที่ยวไปแสดงศิลปะในแนวคามนิคมชนบทราชธานีมาถึงกรุงราชครืโดยลำดับให้เป่าร้องว่าในวันที่เจ็ดนับแต่วันนี้อุคเสณผู้เป็นบุตรเศรษฐีจกแสดงศิลปะแก่ชาวนคร ชาวนครได้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันขึ้นเตรียมดูการแสดงศิลปะของอุคเสณช้าวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจ ด, ดูปณิสัยของเวนัยว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุคเสณมาปรากฏในข่ายคือพระยานของพระองค์มีพระประสงค์จะโปรดตอนเช้าจึงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชฤท์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเมื่อพระาศาสดายังไม่ทันเข้าไปภายในเมืองนั่นเอง อุคัศเญให้สัญญาณแก่ชาวเมืองว่าได้เวลาที่จะแสดงศิลปะแล้วเขายืนบนแป้นไม้แล้วหกคเมนเจครั้งเมื่อพระศ า, าสดาสเสด็จเข้ามาทรงกระทมให้มหาชนสนใจในพระองค์ไม่เอาใจใส่ต่อการแสดงศิลปะของออคศเญศทางนี้เป็นไปด้วยพุทธานุภาพออคเศเญเห็นดังนั้นจึงคิดว่าการแสดงของเราเปล่าประโยชน์จึงหยุดการแสดง พระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาแล้วรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะไปบอกเขาว่าให้แสดงต่อไปเถิดเขาคิดว่าพระศาสดาประสงค์จะดูการแสดงของเขาจึงเริ่มแสดงอีกกระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศหขมรสิครั้งแล้วลงมายืนอยู่ที่ริมไม้แป้นพระศ า, าสดาตรัสกับเขาว่าอุกเสณท่านจงละความอาลัยรักใครในขันทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจงพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นนั้นแล้วว่ามุญจะปุเรมุนจะปัชโตเป็นอาทิมีนยยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นอุกเสศยืนอยู่บนปลายไม้แป่นนั่นเองได้บรรลุอรหตัตผลแล้วทูลขอบรรพชาผสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานวรสมบทโดยวิธีเอหิพิคุอุปสมปทาวรรลุทำง่ายเนาะ <c oughs> ต่อมาวันหนึ่งภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายถามพระอุกเสณว่าเมื่อลงจากไม้แป้นสูงตั้งหกบสองไม่กลัวหรือเขาตอบว่าไม่กลัวพัะทั้งหลายไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระอุกเสณอวดคุณวิเศษพระองค์ตัดว่าผู้ใดตัดสังโยชน ได้หมดแล้วไม่สะดุง้งไม่หวาดกลัวข้ามเครื่องข้องได้แล้วเรากล่าวคนเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์วันต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันอีกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุกเสศสําเร็จพระอาราตผลและอะไรเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวไปกับหญิงนักฟ้อนพระศาสดาทรงแสดงเหตุนั้นว่าเมื่อพระกัตสปทศพลปรินิพานแล้วชาวเมืองกําลังทำสุพรรณเจดีอยู่ ชนทั้งหลายพากันไปยังเจติยสถานนั้นปุขเสนและภรรยาก็ไปด้วยได้พบพระเถระอรหัน ร, รูปหนึ่งในระหว่างทางได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระนั้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระเถระเล็งเห็นแล้วว่าพวกเขาจักสาเร็จตามปรารถนาจึงยิ้มน้อยนภรรยาของเขาเห็นอาการยิ้มแล้วพูดเปลยกับสามีว่า พระคุณเจ้าของเรายิ้มคงเป็นนักฟ้อนกระมังฝ่ายสามีก็อนุโลมว่าคงจะเป็นอย่างนั้นตระมังนี่คือบุพกรรมของอุกเสศและภรรยาแม้ภรรยาของเขาที่เป็นหญิงนักฟ้อนอยู่ต่อมารู้ว่าพระอุกเสณได้บวชสำเร็จพระอรหัตผลแล้วคิดว่าอันใดเป็นคติของสามีอันนั้นเป็นคติของเราด้วยดังนี้แล้วออกบวชตามสามีได้บรรลุอรหัต กต่ผลเหมือนกันคุณความดีที่ทำไว้ก็ตามมาสนับสนุนในต้องระวังนีความดีที่มีกับความดีที่ตามสนับสนุนแล้วก็มีความดีที่มีแล้วความชั่วตามสนับสนุนหรือมาบันทอนก็มีเหมือนกันนีกรรมนี่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนบางทีกําลังจะไปดีๆอยู่เนี่ยแต่มีกรรมที่มันตามมาอยู่เนี่ย มาถึงมาทันเวลาก็จัดการเองที่เราเรียกว่ามานมานนั่นแหละมานมามาะมาจนะมานก็คือกรรมนั่นเองแหละกรรมองคิดพิจารณาให้ดีเจ็ดผู้ตัดเครื่องผูกแข่งมานนะพระพุทธภาศิตวิตกรรมะทิตัสชะชันตตโน ติภ ร, ราอคตสุภานุปสิโนพิโยตันหาปวัตติเอสะโขทันหังกระติพันธนังวิต ก, กูป ะ, ะเมจยโยโระโตอสุพังภาวยติสถาสโตเอสะโขพยันติกาหติเอสัจฉินติมารพันธนัง แปลว่าตันหาย่อมกระรินยิ่ยงแก่ผู้ถูกวิตกย่อมยีมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่โดยปกติบุคคลนั่นแลย่อมทำเครื่องผูกคือตันหาให้มั่นส่วนภิกษุใดยินดีในธรรมเป็นเครื่องระงับวิตกเจริญอสุภาภาวนาอยู่มีสติทุกเมื่อภิกษุนั่นแลย่อมทำตันหาให้สูญสิ้นได้ภิกษุนั่นแลย่อมตัดเครื่องผูกแข่งมานได้ คำว่าผู้ถูกวิตกย่ำยีหมายถึงวิตกสามคือกามวิหิงสาและพยาบาทคำว่ามีราคะกล้าอธิบายว่ามีความกำนัดแรงมีราคะหน า, นานแน่นไม่อาจระ ง, งับราคะได้คำว่าผู้เห็นอารมณ์ว่างามคือตามเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามยึดอารมณ์ทั้งโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะโดยนิมิตนั้นคือถือรวมโดย อนุพยัญชนะนั้นคือถือแยกเช่นฟันงามผมงามเป็นต้นส่วนโดยนิมิตนั้นถือรวมคือถือว่ายึดว่าบุคคลผู้นี้งามเป็นต้นได้เคยกล่าวมาหลายแห่งแล้วว่าความงามอยู่ได้เพียงผิวหนังเท่านั้นลึกกว่านั้นลงไปล้วนแต่ปฏิกูลทั้งสิน้นเมื่อยอมให้วิตกครอบงามอยู่เนืองนิดมีราคาัจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่เช่นนี้ชื่อว่าทาเครื่องผูกตันหาให้มั่น ส่วนผู้ใดยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบวิตกจเจริญอสุภะฌานอยู่เนืองนิดชื่อว่าย่อมทาตัญหาให้สูญสิ้นได้ตัดเครื่องผูกแข่งมานได้ธรรมเครื่องเข้าไประ ง, งับวิตกสามนั้นคืออสุภะสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องผูกแข่งมานคือวัตตะในภูมิสามได้แก่การรูปและอรูป เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งจับสลากของตนในโรงสลากได้เข้าต้มตามสลากไปสู่โรงฉันดื่มยาคู่นั้นแต่ไม่ได้น้ำในโรงฉันจึงไปยืนหน้าเรือนหลังหนึ่งเพื่อขอน้า หญิงรุ่นสาวคนหนึ่งในเรือนนั้นพอเห็นภิกษุท่านนั้นก็เกิดสเสน่หากล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการน้ำดื่มเมื่อใดขอได้โปรดมาดื่มที่นี่ตั้งแต่นั้นมาภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้น้ำดื่มก็ไปยังเรือนนั้นทุกครั้งไปฝ่ายหญิงรับบาตรถวายน้ำดื่มเป็นประจำการล่วงไปหลายวันโดยอาการนี้วันหนึ่งเมื่อนางถวายข้าวต้มข้าวสวยแล้วนิมนต์ให้ภิกษุนั่งในเรือนเข้าไป นั่งใกล้ๆภิกษุแล้วเปอยว่าในเรือนนี้อะไรๆก็มีทุกอย่างขาดแต่ผู้จัดการสมบัติเท่านั้นเมื่อยิงนั้นพูดอยู่สองสามวันความกระสันก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุผิวสูบลงเหมือนคนผอมเหลืองวันหนึ่งเพื่อนภิกษุด้วยกันถามเธอทราบความแล้วนำไปสู่สำนักของอาจารย์และอุปชาอาจารย์และอุปชาได้นาเธอไปสู่สานักพระาศาสดากราบทูลความนั้นให้ทรงทราบ พระาศาสดาตรัสว่าเธอผู้บวชในาศาสนาของเราผู้มีความเพียรเหตุไรจึงไม่ให้เขาเรียกตนว่าโสดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีหรืออรหันเล่าแต่กลับให้เขาเรียกตนว่าผู้กสันกิริยาของหญิงนั้นที่แสดงต่อเธอไม่อัศจรรย์เลยในการก่อนสินางละบัณฑิตผู้เลิศในชมพูทวีป แล้วยังความสเสน่หาให้เกิดขึ้นในบุรุษคนหนึ่งซึ่งตนเห็นเพียงคู่เดียวทำบัณฑิตนั้นให้สิ้นชีวิตแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นพระทศพลจึงทรงทำให้แจ้งซึ่งเรื่องจูรธะนุขหะบัณฑิตดังนี้ก็อ่านเป็นจุนทะก็แล้วกันนะมันสะกดด้วยหลอจุลาจุนทะนุก ขหบันดิตนั้นเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ที่สาปามโมกในกรุงตกศิลาพาธิดาผู้อันอาจารยินดีให้แล้วไปสู่กรุงพาราณสีได้ฆ่าโจรถึง49คนด้วยลูกศร49ดอกที่ปากดงแห่งหนึ่งเมื่อลูกศรหมดแล้วจึงจับโจรผู้หัวหน้าฟาดให้ล้มลงที่พื้นดินขอให้นางทรงดาบให้คงจะเรื่องโมรานะ แต่นางเกิดความสเสนิหาในโจรที่ตนเห็นเพียงคู่เดียววางด้ามดาบไว้ในมือโจรให้ฆ่าสามีของตนถึงชีวิตโจร น, นั้นคิดว่าหญิงนี้เห็นเราเพียงคู่เดียวยังประทุษร้ายสามีของตนเพราะความสเสนิหาในเราต่อไปภายหน้าเห็นชายอื่นที่นางพอใจแล้วจะฆ่าเราเสียเช่นเดียวกับสามีของตนเราต้องการทําไมหญิงอย่างนี้ ดังนี้แล้วตรองหาอุบายอยู่เดินทางมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งให้นางรออยู่ทางฝั่งนี้ก่อนส่วนตนขนของข้ามแม่น้ำไปก่อนลวงนางว่าจะกลับมารับแต่พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้กลับมารับนางเขาหนีไปเลยดังข้อความในจุลทะนุคหาชาดกดังนี้พราหมณ์ท่านถือเอาของทั้งหมดไปข้ามฝั่งได้แล้วจงรีบกลับมารับฉันให้ข้ามไปด้วยโดยเร็ว โจรนั้นตอบว่าแม่นางงามฉันผู้ไม่ใช่ผัวไม่ได้เคยเฉยชิดแก่อย่างแรกผัวผู้เคยเชยชิดกับฉันได้ต่อไปภายหน้าแกจะไม่ทํากับฉันอย่างที่ทํากับผัวของแกหรือฉันจะไปให้ห่างแกอย่างสุดแสนไกลโทษของคนอื่นเห็นง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากหล่อนนั่นเองเสื่อมทั้งผัวทั้งชู้ซบสาวอยู่ยิ่งกว่าเรา ผู้ใดพึงรักภาชนะดินได้แม้ภาชนะสำริ์ผู้นั้นพึงรักได้หล่นทำชั่วจนช้ำก็จะต้องทำชั่วชองอย่างนั้นได้อีกพระศ า, ศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้กรสันจะศึกต่อไปว่าจุนทะนุค ห, หะบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นเธอในการนี้หญิงนั้นเป็นหญิงรุ่นสาวคนนี้ ดูก่อนภิษุเธอจงตัดตันหาของเธอที่มีต่อยิงนั้นเสียเถิด mm hmm. เพื่อจะทรงแสดงทาให้ยิ่งขึ้นไปจึงตัดพระขาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้นะเ mm hmm. บิงตนนั้นแล้วตันหาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถูกวิตกย่ำยีเป็นอาธิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น mm hmm. เมื่อจบธรรมเทศนาภิสุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลประสักในหลายอย่างก็เกิดขึ้น เรียว่าถ้าไม่นักแน่นในธรรมอธรรมก็คอยจ้องอยู่ตลอดเวลาที่จะเล่นงานไม่เลือกคราวาสหรือนักบวชก็ตามถ้าขาดการสํารวมในธรรมเนี่ยมันก็จงย่ำยีได้ตลอด 8. ผพูดถึงความสำเร็จพระพุทธภาษินิถังฆะโตอสันตาสี วิตัตันโหอนังคโนอจินทิภาวะสัตลานิอันติโมยังสมุตสยโย ว, วิตตัตันโหอนาธานโนนิรุติปทะโกวิทโทอัครานังสันนิปาตังชัญญาปุภาปารานิจเตเวอันติมสารีโรมหาปัญโญมหาปุริโสติวุตจติ แปลว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องย่อวโยวนใจตัดลูกศร อ, อันนำไปสู่พบทั้งหลายได้แล้วกายอันกระดูกยกขึ้นนี้ของผู้นั้นเป็นกายสุด้ายวงเล็บอันติมะกายผู้ใดปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นฉลาดในบทแห่งนิรุตติ รู้จักระเบียบแห่งอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแลชื่อว่ามีสรีละสุดท้ายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษอธิบายว่าพระอารหัตผลเป็นความสําเร็จสูงสุดของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนานี้ผู้ถึงพระอารหัตตผลแล้วชื่อว่าถึงความสําเร็จแล้วผู้เช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีความสะดุง้งตกใจในเรื่องใดๆ ไม่ว่าจะร้ายแรงปานใดเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องย่อวโยวนใจตัดลูกศร อ, อันนำไปสู่พบเสียได้กล่าวคือตัณหานั่นเองกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุดวงเล็บอันติมะคือเป็นกายสุดท้ายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวมานี้พระพุทธองค์ตรัส เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปในอัตธรรมนิรุติปฏิพานและศีลขันเป็นต้นอันยิ่งใหญ่และตัดเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วสมจริงดังที่ตัดแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราเรียกบุคคลผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าเป็นมหาบุรุษในทางโลกบางคนอาจถูกสมมุติให้เป็นมหาบุรุษ เพราะรบเก่งฆ่าคนได้มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งหลายด้วยมีอํานาจทั้งโดยธรรมและอธรรมต้องมีกิเลสควบคู่กันไปกับอํานาจวาสนานั้นแต่ในทางธรรมพระาศาสดาเรียกผู้ชนะตนเองผู้ไม่มีกิเลสว่าเป็นมหาบุรุษเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปราบรบมานที่มารังควานพระราหุนมีเรื่องย่อดังนี้ วันหนึ่งเวลาวิการพระเถระเป็นอันมากเข้าไปสู่เฉตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระลาหุนเถระแล้วไล่ท่านให้ลุกขึ้นพระราหุนไปนอนที่หน้ามุกพระขันธกุฎีของพระตถาคตเจ้าเวลานั้นพระราหุนได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแต่ปีอุปสมบทยังไม่ครบพรรษามานชื่อ วสวัสดีผู้อยู่ในภพวสวัสดีเห็นพระราหุล น, นอนอยู่ที่นั้นต้องการเบียดเบียนบีบคันพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระราหุลวงเล็บเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปรวงวิสัยของมารทําให้มารเครียดแค้นมากมารคิดว่าการที่เราบีบคันพระหน่อน้อยก็เท่ากับบีบคันพระสมนะโคดมเหมือนกันมันจึงในระมิดภาพเป็นช้างใหญ่ เอางวงรัดกระมมพระราหุนแล้วร้องด้วยเสียงดังพระาศาสดาบันทมอยู่ในพระคันทกุดีทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถให้บรของเรากลัวได้เพราะบุรของเรามีการไม่สะดุ้งเป็นปกติเสียแล้วมีตันหาไปปราดแล้วมีความเพียรอันยิ่งใหญ่มีปัญญามากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า ผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งเป็นอาทิมีดยะดังภรนนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายมารคิดว่าพระสมณะโคดมรู้จักเราเสียแล้วดังนี้แล้วอันตรฐานไปข้อสนิฐานมานที่กล่าวถึงในที่นี้ดังกล่าวโดยท ร, ร ม, มาทิฐานน่าจะได้แก่ความห่วงใยของพระบรมศาสดาที่มีต่อพระราหุนพุทธชิโนโรสผู้ซึ่งมานอนอยู่ที่หน้า มุกพระคันธกุฎีคงจะเป็นส่วนแคบแค่แหงหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้มีโอกาสไปชมพระเชตวรรณวิหารและพระคันธกุฎีได้เห็นว่าพระคันธกุฎีไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรนักเพียงพอประทับอยู่ได้พระคันธกุฎีนั้นอยู่หลังธรรมสภาเรื่องนิทานต่า ง, า ง, างก็ต้องคิดทั้งสองแง่ถึงจะได้อัตถรสได้ครบถ้วนนั่นก็คือ ในส่วนที่เป็นปุกะราธิฐานและธรรมาธิฐานในส่วนปุกะราธิฐานนั้นเพื่อแสดงให้เกิดความชัดเจนเนเข้าใจง่ายนีถ้าธรรมาธิฐานอย่างเดียวเนี่ยสำหรับผู้ปัญญาน้อยอย่างเราเราท่านๆนีน่ก็อาจจะเข้าใจยากเน่ยก็เลยทําเป็นปุกะราธิฐานเหมือนครูบาอาจารย์ที่ มีความสามารถแสดงธรรมนมักจะมีข้อประมาณประใหม่ให้เกิดความชัดเจนนคนฟังก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้น